วิธีสมมุติสีมาในเบื้องต้นพึงทักนิมิตคือปภัตานิมิตนิมิตคือภูเขาวะนันิมิตนิมิตคือป่ามัคคานิมิตนิมิตคือหุ่นทาณทีนิมิตนิมิตคือแม่น้ําป่าสารนิมิตนิมิตคือแผ่นหินลุกขะนิมิตนิมิตคือต้นไม้วัมมิกะนิมิตนิมิตคือจอมปลวกอุทธกะนิมิตนิมิตคือน้ํา ทักนิมิตแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่า